นิมิตการกระทําในนาทีใกล้ตายกระุกรรมคือทําอะไรไว้หนักหนาอาจินนกรรมคือทําอะไรไว้เยอะอาสันนกรรมคือทําอะไรไว้ก่อนตายกตัตากรรมคือทําให้เกิดเรื่องดีร้ายไว้โดยไม่ตั้งใจ ทุกคนต้องไปถึงวันนั้นวันที่ย้อนกลับมามองว่ามีอะไรบ้างที่ต่างจากความฝันมีอะไรบ้างที่เอาติดมือไปได้เคยคิดว่ามีแค่ไหนก็เหมือนต้องหายไปแค่นั้นนาทีสุดท้ายจะให้ระลึกว่าตัวเองชื่ออะไรระกูลไหนหลายคนยังนึกไม่ออกมีแต่คนข้างหลังที่ช่วยจำให้ช่วยทำป้ายให้ ธรรมชาติของกรรมไม่มีคำว่าลืมที่สุดของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ได้อะไรมาแต่เป็นทำอะไรบ้างวาระสุดท้ายความจำเกี่ยวกับกรรมจะเรียงคิวมาให้ระลึกได้ว่าที่ผ่านมาทำอะไรลงไปหนักไปทางมืดหรือทางสว่างพูดให้ง่ายก็ได้ว่านาทีใกล้ตายคือนาทีที่กรรมหาบ้านใหม่ให้แก่จิต ด้วยการปรุงแต่งจิตเป็นนิมิตการกระทาที่เกิดขึ้นจริงในชาติที่ผ่านมาเป็นหลักฐานประจักษ์จิตว่าทำอะไรไว้หนักหนาคือครุกรรมทำอะไรไว้เยอะคืออจินกรรมทำอะไรไว้ก่อนตายคืออสัญกรรมหรือเคยทำให้เกิดเรื่องดีร้ายโดยไม่ตั้งใจซึ่งเป็นกะตักตากรรมแต่ละนิมิตการกระทา ไม่ได้มีแต่ภาพเปล่ๆาๆทว่าจะปรากฏเจตนากำกับอยู่ด้วยฟ้องชัดว่าที่ทำทำนั้นเล่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนาทีใกล้ตายแล้วนึกออกแจมแจ้งว่าเคยหวังดีหรือหวังร้ายกับใครแค่ไหนจะเป็นนาทีแห่งการรู้ตัวว่าได้เคยทำบุญหรือก่อบาปปรุงแต่งจิตวิญญาณของตัวเองให้มืดหรือสว่างประมาณใด ตอนนั้นเองคุณจะรู้ซึ้งว่าเจตนานั่นเองคือกรรมที่แท้แล้วกรรมคือเจตนาแต่ละชาติมีปมมืดและสว่างนับล้านที่ปรุงแต่งจิตวิญญาณอย่างซับซ้อนไม่เสมอไปที่ในนาทีแห่งความตายคนเราจะอยากพูดความจริงหรืออภัยได้หมดไม่เสมอไปที่ในนาทีใกล้จะต้องเกิดใหม่ คนคนหนึ่งจะนึกถึงบุญกุศลหรือบุคคลอันเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณได้ง่ายๆทุกอย่างเกิดจากความเคยชินที่จะคิดคนเราใช้ชีวิตด้วยการคิดถึงสิ่งใดโดยมากก็มักใช้นาทีสุดท้ายในการคิดถึงสิ่งนั้นแหละที่สุดของการมีโอกาสเป็นมนุษย์จึงไม่ใช่แข่งกันเอาอะไรดีหรืออวดว่าได้อะไรมา แต่ควรเร่งสำรวจว่าแต่ละวันที่ผ่านไปเราสังสมภาพกรรมแบบไหนไว้ให้นึสออกตอนตายความหวังดีหวังร้ายที่เรากำลังเลงๆอยู่เป็นประจำนั่นแหละจะเป็นตัวเดินทางพาไปเช็คอินเพื่อเข้าอยู่